สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงของการฟังเรื่องราวที่ตื่นเต้นแล้วก็ระทึกขวัญ น, นะคะเป็นเพจพระเจอผีแล้วก็ Channel พระเจอผีนะคะก็ขอขอบคุณทุกๆการติดตามรับฟังแล้วก็ทุกๆยอดวิวนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ถึงหลักล้านวิวนะคะแต่ว่าก็ยังคงเป็นกําลังใจให้กันด้วยการคลิกเข้ามาฟังวันละนิดนะคะหรือว่าจะเป็นการคอมเมนต์ต่างๆช่วงนี้อาจจะอัปเดตช้านะคะเนื่องจากว่าอาจจะติดภารากิจเกี่ยวกับ เรื่องการทำงานประจำกันอยู่หรือว่าจะเป็นเรื่องของภารกิจส่วนตัวแต่เราก็สัญญานะคะว่าจะพยายามค่ะในการเร่งทำคลิปเพื่อที่จะไม่ให้ทุกๆคนนะคะรอคอยนานเกินไปหรือว่าเป็นการที่แบบอัพคลิปช้าเกินไปอะไรประมาณนี้นะคะ คุณผู้ฟังคะพูดถึงเรื่องของผีไทยมาก็ค่อนข้างที่จะมากแล้วนะคะลองมาฟังเรื่องของผีฝรั่งดูบ้างว่าน่ากลัวแค่ไหนก่อนอื่นเลยนะคะต้องบอกก่อนว่าไม่ได้แปลมาจากหนังสือฝรั่งอะไรหรอกนะคะแต่ว่าเป็นการพูดมาจากข้อมูลของพระอริยะเจ้าคะ่ะที่ท่านเคยท่องเที่ยวทุดงไปยังเมืองพมา่าหลังสงครามโลกครั้งที่สองสงบลงแล้วนะคะ หากแต่ท่านทั้งหลายที่เคยฟังเรื่องราวของสงครามโลกครั้งที่สองก็น่าจะรู้นะคะว่าที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราค่ะหรือว่าพม่านะคะก็จะมี ถ้าหานอังกฤษเข้ามาตั้งค่ายอยู่เพื่ อ, อยันทหารญี่ปุ่นไว้ไม่ให้ไปบุกเข้ายึดเป็นเมืองขึ้นเป็นทัพพวกนะคะจนต่อมาเมื่อสงครามสงบลงราบญี่ปุ่นก็เป็นฝ่ายยกธงขาวยอมแพ้แก่พวกพันธมิตรนะคะแล้วถ้าหานอังกฤษก็ที่มารบเนี่ยคือจะอยู่ไปทําไมน ะ, ะก็ต้องย้ายทัพกลับประเทศ ถ้าหารฝรั่งที่มาตายเพราะว่าไข้มาลาเรียหรือที่เราเรียกกันว่าไข้ป่านะคะเป็นจํานวนก็โอ้โหไม่น้อยเนาะเยอะมากที่วิญญาณกลับบ้านไปเกิดแล้วก็มีหาแต่ว่าที่ยังไม่ยอมไปเกิดก็ตกค้างอยู่ที่นี่ก็มีอีกเยอะแยะนะคะชาวบ้านในแถบถิ่นนี้เนี่ยเขาเล่าลือกันว่ามีชาวบ้านเข้าไปตัดไม้ไปหาของป่าไปล่าสัตว์ก็เจอเหตุการณ์แปลกๆเยอะแยะนะคะที่ขนลุกขนทองอยู่ก็คือชาวบ้านเขาเรียกว่า เจอกันประจำแล้วค่ะสำหรับเรื่องราวปแปลกๆหรือว่าเรื่องราวลึกลับสยองขวัญ น, นะคะจนชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยคื อ, อไม่กล้านะคะเข้าไปหาหน่อไม้หรือว่าไปตัดต้นไม้นะคะหรือว่าจะไปล่าสัตว์แต่ว่าที่มีเข้าไปล่าสัตว์บ้างไปหาของป่าบ้างก็มีจำนวน จำนวนไม่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะกลัวกันส่วนมั่ส่วนมากเขาก็จะไปกันตอนกลางวันนะคะตอนกลางคืนเขาก็จะไม่ค่อยไปกันก็คือถ้าตอนกลางคืนใครที่ล้ําแดนเข้าไปเนี่ยก็จะมีทา่าห่านกฤษ เรียกว่าแตมแต่งตัวเต็มยศเลยละค่ะเดินท่าทางขืนขังย่าเท้าเข้ามาหานะคะพร้อมกับบอกให้ออกไปจากบริเวณค่ายบางครั้งนะคะก็จะไม่ปรากฏตัวให้เห็นแต่ว่าแสดงออกด้วยการเดินเดินลงส้นเท้าหนักๆนะคะทำเสียงดังๆทุบตับุตบตบนะคะเดินตามหลังมาติดๆอะไรประมาณนี้บางทีก็มีแต่เสียงเดินนะแต่ว่าไม่เห็นตัวตนหรือว่าไม่เห็นคน คือบางทีทําให้แสดงออกด้วยการเดินเนี่ยเขาก็จะแสดงออกด้วยเสียงแส้ฟาดดังเฟี้ยวเฟี้นะคะแหวกมาตามอากาศอย่างนี้ส่วนมากแล้วเนี่ยคนที่แบบเขาเล่าลือกันว่าทาหารอังกฤษคนนี้มักจะมาปรากฏตัวให้เห็นเป็นตัวเป็นตนจนจริงๆแล้วค่ะชาวบ้านแถวนั้นก็กเข็ดหลาบไม่มีใครที่จะกล้าเข้าไปทํามาหากินหรือว่าเดินผ่านท่ายร้างแห่งนี้ค่ะก็เลยทําให้ชาวบ้านผู้ที่หาเช้ากินค่ำนี่แหละเดือดร้อนไปตามๆกัน เพราะความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านจากผีตนนี้นะคะเมื่อพวกเขาทราบว่ามีพระมาพักปักหลอดอยู่ใกล้หมู่บ้านก็เลยออกกันไปนิมนต์ค่ะทราบชื่อภายหลังนั่นก็คือหลวงปู่ชอบฐานะสโมโณนะคะแล้วก็คณะค่ะให้ไปพักเจริญภาวนาที่ฐานทัพร้างดังกล่าวเพื่อจะได้จัดการกับผีตนนี้ให้หนีออกไปหรือไม่ก็ให้มันไปผุดไปเกิดซะนะคะจะได้ไม่ต้องมาหลอกหลอนเช่นนี้ ผีก็อยู่ส่วนผีคนก็อยู่ส่วนคนอย่าได้มาหลอกมาหลอนกันเลยนะคะหลวงปู่ชอบได้ฟังเช่นนั้นก็ตกลงทันทีเอาละหลวงปู่บอกตอนนั้นมีคณะผู้ติดตามหลวงปู่ก็มีมีพระสีพระสังตาประขาวแหล่นะคะนอกจากชาวบ้านได้พาหลวงปู่แล้วก็คณะเดินไปยังค่ายทหารอังกฤษที่โดนปล่อยทิ้งร้างมานานแล้วนะคะ ก็จะมีพวกต้นไม้ใหญ่ๆขึ้นเรียงรายแล้วก็ป่าไผ่เต็มไปหมดดูอึมครึมหน้าพรั่นพรึงไม่หวั่นไหวนะคะเมื่อไปถึงชาวบ้านก็ได้ทําที่พักเป็นแบบนั่งร้านชั่วคราวให้หลวงปู่แล้วก็ผู้ติดตามจนตะวันลับขอบฟ้าไปแล้วชาวบ้านก็เลยพากันลากลับบ้านนะคะสนุกแน่คืนนี้ชาวบ้านพากันคิดเพราะเชื่อนะคะว่าผีฝรั่งตนนี้เนี่ยจะต้องมาปรากฏตัวแน่ๆเลย เมื่อความมืดโรยตัวเข้ามาคลุมบริเวณฐานทัพร้างค่ะจนดูเหมือนว่าม่านสีดําปิดฟ้าไว้หมดมีแต่ความมืดมองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากความมืดแล้วนะคะยังเงียบอย่างผิดสังเกตแล้วก็จะมีแต่เสียงจิ้งหรีดเสียงไพร้องนะคะอย่างมีความสุขอยู่ตามกอหญ้าก็เพื่อรอน้ําค้างจากฟ้าหากฟังให้ดีแล้วก็จะได้ให้ความไพเราะเพลิดเพลินไปกับพวกมันด้วยแต่บรรยากาศนะมันไม่น่าอภิรมขนาดนั้นนานะเพราะมันมืดแล้วมันก็น่ากลัวด้วย หลวงปู่ได้พาคณะนะคะผู้ปฏิบัติมาสวดมนต์นะคะทำวัดเย็นก่อนจะแยกย้ายกันไปเพื่อที่จะหาที่พักของตนหลวงปู่ท่านก็ไม่ลืมกําชับกับพระทุกรูปนะคะว่าที่นี่มันร้ายเอาเรื่องอยู่เดอ้อให้พากันภาวนาแผ่เมตตาให้กับผู้อยู่ที่นี่ด้วยอย่าได้พากันประมาทซะล่ะเดี๋ยวจะเสียทีมันเข้า น, นี่หลวงปู่ก็บอกนะคะผู้ติดตามไปปฏิบัติธรรมหรือว่าไปอ่าทุดงกรรมฐ า, านนั่นเอง เวลาผ่านไปประมาณหนึ่งทุ่มค่ะพระศรีพระสังได้ยินเสียงคล้ายกับคนมีคนเดินเข้ามานี่แหละจังหวะเดินนี้ต้องบอกว่าเป็นเสียงรองเท้าคอมแบกนะคะเสียงกระทบพื้นเสียงดังตึกตึกนะคะเสียงแบบหนักแน่นมากพร้อมกับมีเสียงแส้ฟาดแหวกอากาศดังฟิลฟ้าวฟิลฟ้าวอย่างนี้นะคะเหมือนกับแหวกเราลองเอาเชือกก็ได้อะลองเอาเชือกหรือว่าแส้ก็ได้ฟาดลงกลางอากาศนะคะเสียงมันก็จะออกมาแนวแนวนั้นคือเสียงนั้นก็มาหยุดลงตรงหน้ากรวดของพระศรีแล้วก็พระสังค่ะ ท่านก็อุทานเฮ้ยนี่มันเสียงอะไรกันวะแปลกแท้พระสั่งอุทานในลําคอพร้อมกับเอามือแบกมุ้งกลดออกไปดูปรากฏว่าข้างนอกนะคะไม่มีอะไรค่ะนอกจากความว่างเปล่าแล้วก็ความเงียบจากนั้นก็มองสำรวจรอบกรดก็ไม่มีอะไรผิดสังเกตเมื่อเห็นว่าไม่มีอะไรแล้วนะคะท่านก็เข้าไปเจริญภาวนาในมุ้งกรดเช่นเดิมแต่ว่าทันใดนั้นเองค่ะท่านก็ต้องสะดุง้งเมื่อมีเสียงหวีดวิวมากลางอากาศคือเสียงนั้นเนี่ยมันดังมาก ดังอย่างชัดเจนค่ะคือไม่นานเสียงนี้ก็ค่อยๆถอยห่างออกไปเรื่อยๆแล้วก็ไปหยุดหยุดลงตรงกรดหน้าตรงกรดของหลวงปู่ชอบ น, นะคะท่ามกลางความมืดสลัวของแสงเดือนข้างแรมแต่ก็พอจะเดาได้นะคะว่าสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยเป็นทหารฝรั่งแต่งเครื่องแบบเต็มยศยืนชิดเท้านิง่งคือลักษณะท่าทันจริงจังมากมองเข้าไปในด้กรดหลวงปู่กําลังกําหนดจิตก็กําหนดจิตเอาไปถามด้วยความเมตตาว่าเจ้าเป็นใครหรือ ทำไมมาอยู่ที่นี่มาหาอาตามายามค่ําคืนมีกิจอันใดเงียบค่ะทุกอย่างเงียบไม่มีเสียงตอบรับไม่แตกต่างไปจากคุยกับคนใบ้คือจะบอกว่าถ้าหาญอังกฤษคนนี้นี่คือไม่ยอมพูดแล้วก็ไม่ยอมขยับด้วยคือมีแต่แบบยืนนิ่งจ้องหน้าหลวงปู่ชอบอยู่งนั้นนะคะหลวงปู่ก็เลยถามมันอีกว่าถ้าเจ้ามาก็ขอให้เราอุทิศสมบูรณ์ไปให้นะจ้จนถอดรองเท้าแล้วก็ถอดหมวกออกซะก่อนเพื่อเป็นการคาระวะเฉยค่ะ ไม่มีความสนใจในความหวังนี้ของหลวงปู่เลยหลวงปูก่ก็ไม่สนใจที่จะถามความประสงค์ของมันละแต่เจริญภาวนาส่งกระแสจิตแผ่เมตตาไปให้ไม่มีประมาณไม่นานค่ะผีฝรั่งตัวนี้ก็คลายทิฏฐิลงแล้วก็ยอมถอดหมวกถอดรองเท้าแล้วก็คลานเข้ามานั่งข้างกรดนะคะหลวงปู่เห็นว่าเป็นโอกาสเหมาะนะคะก็เลยส่งกระแสจิตไปถามนะคะว่าท่านเป็นทหารฝรั่งหรือมาทําอะไรที่นี่คราวนี้ผีก็ยอมพูดเนาะ พูดนะคะว่าข้าเป็นทหารฝรั่งเข้ามาตั้งค่ายเพื่อป้องกันทหารฝ่ายตรงข้ามมาบุกรุกโจมตีเมืองพมา่าข้ามาตายที่นี่เพราะเป็นค่ายป่าข้าจึงไปไหนไม่ได้และจิตยังมีความผูกพันกับที่นี่มากจึงวนเวียนหวงแหนสถานที่นี้เสมือนหนึ่งเป็นแผ่นดินถิ่นเกิดของตัวเองที่ท่านมาปรากฏตัวกับเราท่านต้องการสิ่งใดหรือไม่หลวงปู่ชอบถามไป ข้าได้รับมอบหมายให้ดูแลสถานที่แห่งนี้ห้ามใครหรือผู้หนึ่งผู้ใดล่วงล้ำเข้ามาในเขตต้องห้ามนี้เป็นอันขาดใครฝ่าฝืนจะต้องลงโทษหรือไม่ก็ขับไล่ออกไปโดยวายพวกท่านเข้ามาอาศัยที่นี่โดยพละการทําให้เราไม่พอใจจึงจะมาขับไล่ให้ออกไปจากที่นี่เสียโดยได้แสดงการหยับอ่ากายหยาบให้ปรากฏในลักษณะข่มขู่เพื่อให้ท่านกลัวแต่ข้าไม่มีฤทธิ์อำนาจที่จะทําร้ายใครได้หรอกนอกจากการทําการหลอกหลอนเท่านั้น ผีฝรั่งบอกนะคะหลวงปู่ก็เลยถามต่อค่กคุณผู้ฟังว่าเอาละขอถามท่านหน่อยนึงท่านคิดว่าสถานที่แห่งนี้เป็นของพวกท่านกระนั้นหรือหากคิดเช่นนั้นท่านคิดผิดแล้วข้าก็เข้าใจเช่นนั้นผีฝรั่งตอบนะคะหลวงปู่ก็ไม่เถียงหรือว่าโต้อตอบอะไรท่านจะถามเพียงว่าอยู่ที่นี่มีความสุขหรือความทุกข์ในฐานะเจ้าของผู้ครอบครองสถานที่แห่งนี้ ถ้าไม่เคยมีความสุขเลยนอกจากความเป็นทุกข์เป็นกังวลใจกลัวคนจะบุกรุกร่ำเขตเข้ามาต้องอยู่เฝ้าทั้งวันทั้งคืนก็เมื่อท่านเป็นทุกข์เป็นกังวลกลัวคนอื่นจะบุกเข้ามาโจมตียึดที่จนต้องเดือดร้อนเช่นนี้แล้วจะอยู่ไปทําไมอีกเล่าท่านทําไมไม่ไปหาที่อยู่ใหม่ที่ดีกว่านี้ข้าก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนที่มันมีความสุขดีกว่านี้ข้าไม่มีทางอื่นให้เลือกอีกแล้ว เมื่อหลวงปู่รู้เช่นนี้ค่ะคุณผู้ฟังท่านก็ได้กําหนดจิตพิจารณานะคะวาสนาของท่านกับวิญญาณทหารฝรั่งตัวนี้ว่ามีวาสนาพอจะสงเคราะห์กันได้ไหมท่านก็นิ่งอยู่ครู่หนึ่งก็เลยถามออกไปบอกว่าเอาละ่ะเราขอถามความประสงค์ของท่านต้องการจะไปอยู่สถานที่อื่นที่ดีกว่านี้ไหมเราจะช่วยผีก็บอกว่าอยากไปเมื่อท่านถามนะคะท่านก็เลยตอบออกไปบอกว่าเมื่อท่านต้องการเราก็จะสงเคราะห์ ตั้งใจให้มั่นคงแล้วก็ระ ล, ลึกถึงความดีทั้งในอดีตชาติเราจะแผ่เมตตาสงเคราะห์เอาขอให้เจ้ารับเอากุศลผลบุญนี้ไปนะจากนั้นค่ะคุณผู้ฟังหลวงปู่ก็ได้ให้สมทานนะคะรับเอาพระไตรสาระคมตามที่หลวงปู่บอกวิญญาณทหารอังกฤษนั่งสงบนะคะตั้งใจรับศีลรับพรแต่โดยดีก็ปรากฏนะคะว่าร่างเขาผ่องใสขึ้นแล้วหลวงปู่ก็ได้บอกทางว่าเจ้าจงเดินออกไปทางหมู่บ้าน หากว่าเจ้าเหนืออยากจะหยุดพักบ้านหลังใดก็ให้เข้าไปหยุดพักที่บ้านหลังนั้นได้จะมีคนมายืนต้อนรับเจ้าอยู่เมื่อได้เราทำแนะนำแล้วนะคะวิญญาณทางอังกฤษก็ลาหลวงปู่ไปตามเส้นทางเข้าหมู่บ้านหลวงปู่ก็ได้กำหนดจิตติดตามดูตลอดด้วยความอยากรู้ว่าเขาเดินไปถึงไหนแวะบ้านหลังไหนและวิญญาณฝรั่งก็ได้ไปหยุดอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งจากนั้นก็เดินหายเข้าไปค่ะขณะนั้นเป็นเวลาประมาณสักสองยามหรือ6กทุ่มนะคะ ท่านจึงออกจากสมาธิแล้วก็เดินไปยังกรดของพระสีกับพระสังพร้อมกับพูดขึ้นมาลอยๆว่าทุกอย่างเข้าสู่ปกติแล้วพรุ่งนี้เราจะพาท่านไปออกบินทบาทตบนเส้นทางที่เข้าไปเมื่อบอกหมู่คณะเป็นที่เรียบร้อยนะคะหลวงปู่ท่านก็เดินกลับไปยังกรดของท่านเพื่อจเจริญภาวนาต่อจนถึงวันรุ่งเช้าเลยนะคะ ในเช้าวันต่อมาค่ะหลวงปู่ก็ได้ออกบินธบาตตามปกติแต่ว่าจะผิดปกติตรงที่ว่าท่านจะต้องไปดูบ้านหลังที่วิญญาณทหารฝรั่งตนนี้เนี่ยเดินหายเข้าไปว่าเกิดอะไรขึ้นหรือไม่แต่ว่าความในใจของหลวงปู่ไม่ได้บอกให้กับพระศรีกับพระสังรู้ล่วงหน้าว่าจะไปเส้นทางนี้นะคะก็เรียกว่าพอเข้าไปในหมู่บ้านพวกชาวบ้านก็ออกมาใส่บาทกันพอสมควรจนกระทั่งท่านเดินบินธบาตไปถึงบ้านหลังหนึ่ง ที่ท่านเห็นว่าวิญญาณฝรั่งหายวับเข้าไปเจ้าของบ้านเห็นพระยืนสำรวมสงบนิ่งอยู่หน้าบ้านก็นำข้าวปลาอาหารมาตักบาตผู้ที่เดินออกมาใส่บาตนั้นเป็นหญิงท้องแก่ค่ะหลวงปู่ก็เลยพูดจาทักทายเพื่อสร้างความคุ้นเคยแล้วก็ถามว่าโยมท้องกี่เดือนแล้วก็เลยได้รับคําตอบว่า7จถึงแเดือนแล้วค่ะหลวงปู่ก็พยักหน้าร้องอืมอืมอมืรับรู้นะคะเป็นอาการแสดงาการรับรู้แล้วก็ออกบิณฑบาตต่อไปคุณผู้ฟังคะแสดงว่า เมื่อคืนนี้ที่ให้ผีเดินเข้าไปในบ้านหลังนี้เนี่ยหลวงปู่ท่านก็ต้องรู้แล้วล่ะว่าวิาว ญ, ญญาณฝรั่งตนนั้นได้เข้าสู่คันของหญิงแก่อขออภัยค่ะหญิงท้องแก่โดยไม่ต้องสงสัยแล้วนะคะไม่ช้าไม่นานก็คงได้คลอดออกมาอาจจะมีความแตกต่างจากเด็กในหมู่บ้านคนอื่นๆคือหน้าตาอาจจะออกไปทางฝรั่งผมอาจจะเป็นสีทองอะไรทํานองนั้นซึ่งก็ มีเรื่องแบบนี้ให้เห็นกันบ่อยๆนะคะจนสามีภรรยาบางคู่เห็นลูกเกิดมาไม่เหมือนเผ่าพันธุ์เหล่ากององตัวเองถึงกับทะเลาะเบาะแวงกันเลยก็มีนะคะหาว่าเมีเยไปมีชู้บ้างหรือไม่ก็หยิบลูกมาผิดจากโรงพยาบาล เรื่องที่เล่ามาทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริงนะคุณผู้ฟังนะคือเกิดขึ้นแล้วในประเทศพม่าค่ะเมื่อคราวที่หลวงปู่ได้ข้ามเขตแดนเข้าไปเจริญภาวนาถึงว่าจะไม่น่ากลัวนะคะแต่ก็ได้ให้ความจริงที่เป็นสาระเพื่อคนรุ่นใหม่จะได้นำไปพิจารณาว่าผีเนี่ยมีจริงหรือไม่นั่นเองค่ะ